ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสตตะปะปุพพสิกขาและปุพพสิกขาวันน า, นาพระอมราภิรกิตะอมโรเกิดวัดบ ร, รมนิวาตรเจนาต่อไปจะเป็นการกล่าวถึงมังสะกะถาว่าด้วยเรื่องของเนื้อข้อหนึ่งอย่ารับเนื้อปลาดิบทั้งเนื้อทั้งปลา หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เช่นเป็นอาหารที่ดิบข้อหนึ่งอย่าฉันเนื้ออย่าฉันปลาดิบถ้ารับถ้าฉันต้องทุกข์กฎด้วยพระอตกาจารย์ท่านอาศัยคำในพระสูตรว่าอามะกะมังสะปติขะนาและอาศัยพระพุทธานุญาตว่าอนุชานามิพิขเวอมนุสิกาบาเทนะอามะกะมังสังขาดิตุง ปิวิตุงอามากะโลหิตตังดังนี้ห้ามไว้ก็คือนิรัตเนื้อดิบแล้วก็อนุญาตให้เวลาที่อมนุษย์เข้านี่ให้กินเนื้อดิบ ด, ดื่มเลือดสดๆได้ห้ามไว้ความในพระสูตรพระพุทธอนุญาตว่าทิกสุย่อมเป็นผู้เว้นจากการรับเนื้อดิบว่าเราตถาคตอนุญาตให้พิษุอันอมนุษย์เข้าสิงกายฉันเนื้อดิบก็ได้ดื่มกินโลหิตดิบก็ได้ เพราะกันทั้งสองนี้อาบัตินี้ชื่อว่าบาลีมุตตะทุกกฎก็คืออัตกฐาถาท่านก็เลยต้องเคาะว่าเป็นอาบัติเพราะว่าพระพุทธเจ้าอนุญาตให้เฉพาะตอนี่เข้าถึงกินเนื้อสดเลือดดิบได้ข้อหนึ่งยาฉันอุติสะมังสะก็คือที่เขาทำเจาะจงไว้ถวายพิสุทด้วยทรงห้ามและอนุญาตไว้ว่า นาภิกเเวชานางอุดิสกะตังมังสังปริพุนชิตบังอนุชานามิภิกเเวะเพราะความละติโกติปริสุทตังมัจฌามังสังปริพุนชิตุงอาดิษฐางอาสุตังอาปริสังกิตังแปลว่าเนื้ออันบุคคลเฉพาะภิกษุคือข้าต่จงเนี่ยกระทรรคือข้ามาทิกษุรู้อยู่อย่าพึงฉันถ้าฉันต้องทุกข์กด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 เวลารุ่งเช้าเข้าไปบินธบารในบ้านนั้นเขาน้อมบินธบารทั้งปลาและเนื้อขมาถวายรังเกียจอยู่ว่าเขาจะทําเจาะจงพิจุดอกกระมงดังนี้ชื่อว่ารังเกียจด้วยได้ยินและไม่ได้เห็นไม่ได้ยินเลยเป็นแต่เข้าไปบินธบารในบ้านทายกรับบาดไปแล้วก็แต่งบินธบารทั้งปลาทั้งเนื้อน้อมมาถวายพิจูรังเกียจว่าเขาจะทําเจาะจงพิจุดอกกระมงดังนี้ชื่อว่ารังเกียจพ้นจากการเห็นพ้นจากการได้ยิน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 ควรรับได้ถ้าทายกกล่าวว่าเป็นเนื้อสัตว์ตายซื้อมาแต่ท้องตลาดดังนี้ก็ควรแม้ในเนื้อปลาที่เขาทําเพื่อเปเตษษกิจก็คือให้แก่คนตายหรือเพื่อมงคลก็เหมือนกันเนื้อใดปลาใดเขาไม่ได้ฆ่าเพื่อพิกสุกดีและไม่สงสัยในเนื้อปลาใดกระดีทั้งปวงเหล่านี้ย่อมควรถ้าและเขาฆ่าเฉพาะพิกษุในวิหารหนึ่ง ภิกษุนั้นหารู้ว่าเขาฆ่าเฉพาะตัวไม่แต่ภิกษุอื่นรู้ผู้ใดรู้ไม่ควรแก่ภิกษุนั้นไม่ควรแก่ผู้นั้นนะควรแก่ผู้ที่ไม่รู้ถ้าก็ทำฆ่าเจาะจงเราเราไม่รู้เราฉันเข้าไปไม่เป็นอัติาภิกษุในวิหารอื่นไม่รู้แต่ว่าภิกษุในวิหารนั้นเองรู้ย่อมไม่ควรแก่ภิกษุในวิหารนั้นควรแก่ภิกษุในวิหารอื่นที่ไม่รู้ ที่ส่วในวิหารนั้นก็รู้ที่ส่วนในวิหารอื่นก็รู้ไม่ควรด้วยกันทั้งปวงเลยถ้าไม่รู้ด้วยกันทั้งปวงก็ควรด้วยกันทั้งปวงเนื้อก็ดีปลาก็ดีดดเขาฆ่าเฉพาะสาธรรมิตครั้งห้า 5, ผู้ใดผู้หนึ่งก็ดีไม่ควรด้วยกันทั้งสิ้นเลยถ้ารู้นะถ้าไม่รู้ฉันได้สำหรับเนื้อที่ยวฆ่าเจาะจงเป็นที่จะรู้เขาค่าเจาะจงเนี่ยเป็นแต่ไม่รู้เขาฆ่าเจาะจงเราเนี่ไม่เป็นจะรู้อาบัตหรือไม่รู้อาบัตไปแล้วแต่ แต่ว่าถ้ารู้ว่าเขาฆ่าเจาะจงเราแล้วก็ไปฉันเดี๋ยวก็ไปเรียนรู้เมื่อไหร่ก็เป็นแสดงอาบัติถ้ารู้ว่าเขาฆ่าเจาะจงเรามันไม่ใช่เกี่ยวกับรู้ว่าเป็นอาบัติหรือไม่เป็นอาบัติแต่รู้ว่าเขาฆ่าเจาะจงหรือไม่เจาะจงถ้าและเขาเฉพาะพิจุรูปหนึ่งเขาฆ่าเฉพาะพิจุรูปหนึ่งนี้นะฆ่าตาดแต่งบินธบานมาถวายแกเธอนั้นถ้าเธอนั้นรู้อยู่ว่าเขาฆ่าเฉพาะตัวรับมาแล้วก็เอาไปให้พิกจุรูปอื่น แล้วก็พิสูตรูปอื่นนั้นก็ฉันนะด้วยเชื่อต่อเธอเช่นนี้ไม่เป็นอาบัติด้วยกันทั้งสองเลยเพราะคนรับเนี่ยคนรับไม่ได้ฉันเพราะว่าไอ้รับอาหารที่มันเป็นไม่ใช่เนื้อสัตวปิยะเนี่ยมันรับได้แม้ว่าเขาฆ่าเจาะจงเราก็ตามก็รับได้แต่าฉันไม่ได้อาฉันก็ไปต่อบัตรเพราะรู้ว่าเขาฆ่าเจาะจงเราแต่ว่าเอาไปให้กับภิสูตรอีกรูปหนึ่งพิสูตรอีกรูปหนึ่งก็ไม่รู้แล้วว่าเขาฆ่าเจาะจงพระพิสูต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 ภายหลังรู้เข้ากิจที่จะต้องแสดงอาบัตินั้นไม่มีรู้ที่หลังไม่จดแต่ว่าถ้าเป็นเนื้ออากัปปิยะเนื้อสิงโตเนื้อเสือเนื้อหมาเนื้องู<ม>แต่พิกษุไม่รู้ฉันแล้วภายหลังรู้เข้าพึงแสดงอาบัตเสียตอนหลังรู้ต้องแสดงอาบัตด้วยว่าเนื้อปลาที่เขาฆ่าเฉพาะรู้แล้วฉันจึงเป็นอาบัตเนื้อเป็นอากัปปิยะไม่รู้ฉันก็เป็นอาบัตแท้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 ต่อไปจะเป็นเรื่องเตีรฉานะวิชาดิกถาเรื่องการเรียนการสอนเตรฉานวิชาเตรฉานกถาหมายถึงคำพูดที่ขวางกั้นต่อมาผลนิพพานแต่เตีรฉานวิชานี่หมายถึงวิชาวิชาความรู้ที่เป็นเครื่องกั้นต่อมาผลนิพพานข้อหนึ่งอีกอย่าเรียนข้อหนึ่งอย่าบอกเตรฉานวิชาถ้าเรียนถ้าบอกต้องทุกกฎด้วยทรงห้ามไว้ว่านาภิกเวเตีรฉานะวิชาปาริยาปุนิตตบาระความละ ว่าเจต บ, บาห้ามเรียนน้ำสอนดังนี้ศิลปศาตรพวกช้างพวกมา้าพวกอาวุธมนดนปลุกเสกเลขยันสเสนยาแฟดอาถรรพ์วิชาต่างๆเป็นภายนอกาศาสนาไม่ประกอบด้วยประโยชน์เป็นเครื่องเบียเดเบียนคนยกแต่วิชาเลขเสียนอกนัานชื่อว่าเดรชาวิชาทั้งสิ้นเลยพีกตุเรียนและบอกเป็นทุกกทนับด้วยบทและอักขระเลยเรียนเลขเรียนคมภีอันหนึ่ง ชื่อว่าทารณสัทธะปฏิบัติแล้วจะให้รู้คำพี่อื่นๆมากกว่าดีแน่เรียนวิชาเป็นปริศการยัรกษการถีการงูเป็นต้นที่รักษาตัวเหล่านี้ไม่เป็นอบัติเรียนพูกปริศพวก ว, วิชาป้องกันได้วิชารักษาโรคแก้งูพิษอะไรพวกนี้ได้มีวิชาหนึ่ง เ, เรียกว่าทารณสัทธะ ถ้าไปเรียนแล้วเนี่ยแล้วมันจะทรงจําวิชาอื่นได้เยอะมีพระวิศว์เขาไปเรียนตรงพระไตรปิฎกกระ่างต่านนเนี้ยข้อหนึ่งอีกอย่าเรียนข้อหนึ่งอีกอย่าบอกคัมภี์ชื่อโลกายตะถ้าเรียนและบอกต้องทุกกฎเลยทรงห้ามไว้ว่าณนะพิฆเวโลกายตังปริยาปุริตบงังข้อความละว่าเจตบงังดังนี้คัมภีร์ของเดรักถีอันหนึ่งแสดงเหตุไม่มีประโยชน์เป็นต้นว่า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 อนุชานามิพิกเวข้อความละสะกายะนิรุติยาพุทธวจนะปริยาปุนิตุงแปลว่าอย่าพึงยกคําพระพุทธเจ้าคือพระพุทธวจนะซึ่งเป็นคํามคตขึ้นสู่ทางเล่าเรียนโดยฉันคือโดยภาษาสันสกฤตดังไตรเพศถ้ายกขึ้นอย่างนั้นต้องถูกกฎเราผู้ตถาคตให้เล่าเรียนพุทธวจนะโดยมคตโวหารดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัส ต้องใช้ทรงภาษาบาลีไอ้ทรงภาษาสันสกิตนี่ต้องแบบถุกกฎข้อหนึ่งก็เถระไม่ได้เชื้อเชิญ อ, อย่าแสดงธรรมโดยทรงห้ามและอนุญาตไว้ว่านาพิขเวสังฆมัชเชอณชิตเถนะธรรมโมพาสิตบโบอนุชานามิพิขเวก็ความละเถเรณะพิคุณาสามังวาธรรมังพาสิตุงปรังวาอาเชติตุงแปลว่า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 เมื่อพิสุผู้เชื้อเชิญไม่มีจะบอกพระสังฆเถระเสียก่อนหรือพระสังฆเถระเชื้อเชิญแล้วจึงแสดงก็ได้ถ้าไม่มีใครเชื้อเชิญพระสังฆเถระเขไม่เชิญก็ต้องบอกขออนุญาตแสดงธรรมนะครับขออนุญาตกล่าวธรรมนะครับแม้พระสังฆเถระเ า, า่าถ้าพิสุธรรมกะถึกมีมากในวิหารก็พึงใช้หรือว่าพึงให้ตามลําดับบอกให้แสดงตามลําดับวรรคธรรมกะถึกอันพระเถระ ใช้หรือว่าบอกเชื้อเชิญว่าท่านจงกล่าวทำหรือจงแสดงทำหรือจงให้ธรมธรมทานดังนี้แล้วพึ่งแสดงทำโดยวิธีสามอย่างก็คือท่านให้ตรวจบาลีได้แต่สวดอย่างเดียวท่านให้แสดงก็ได้แต่แสดงอย่างเดียวท่านให้กล่าวสรารพัญญะก็ได้แต่กล่าวสรารพัญญะอย่างเดียวถ้าท่านบอกทั้งสามอย่างถึงทําได้สามอย่างบอกให้ทําอย่างไรก็ทําเฉพาะอย่างนั้น แม้พระสังฆเถระจะนั่งในอาสนะสูงเชื้อเชิญก็ไม่ได้เลยต้องนั่งบน อ, อาสนะต่ำหรือว่าเสมอกไปแม้แต่ท้าสังฆเถระถ้ามีแต่อุปชากับสัติวิหาริกเท่านั้นอุปชาท่านนั่งอยู่ในที่สูงกล่าวว่าท่านจงแสดงธรรมให้สัตวิหาริกพึงอธิษฐานเป็นสาธยายแล้วจึงแสดงเพราะว่าถ้าไปแสดงให้พระอุปชาสังนิตรบัรทุกตนั่งอยู่ในที่สูงนะ อยู่ในที่ตำ่ำจะนั่งทำกับบุคคลที่อยู่ในที่สูงแม้เป็นอุปชาก็ตามเนี่ยต้องแบบทุกคนวันนั้นถ้าไม่มีใครอื่นแล้วก็อ้าวเราจะสาธยายก็แล้วกันเราไม่แสดงให้อุปชาฟังอ่ะเราจะสาธยายก็แล้วกันแต่ถ้ามีพิจตุหนุ่มอยู่ในที่นั้นด้วยไสเพึงผูกใจว่าเราจะแสดงแก่พิกตุหนุ่มแล้วจึงแสดงเกิดก็ทําให้มีสตินะไม่ไปล่วงละเมิดศิลปบทถ้าในวิหารพระสังฆเถระให้แสดงแต่สิทธิ์ของตนเท่านั้น ไม่เชื้อชิญทิ่ตุอื่นแม้เป็นผู้แสดงไพรว่าบ้างทีกตุอื่นพึงว่ากับพระสังฆเถระว่าข้าพเจ้าจะเชิญทิกษุชื่อนู้นให้แสดงถ้าพระสังฆเถระรับหรือว่านิ่งอยู่ก็ดีจะเชิญให้ทิกษุอื่นแสดงควรอยู่ถ้าแลพระสังฆเถระห้ามเสียใจก็อย่าพึงเชื้อเชิญทิกตุอื่นให้แสดงเลยพิว่าพระสังฆเถระยังไม่มาเลยปรารบธรรมะสวัสขึ้นแล้ว พระสังฆเถรละจึงมาอีกราวจิตซึ่งจะหยุดเสียแล้วและบอกไม่มีครั้นสวดบาลีจบแล้วจะแสดงเนื้อความพึงบอกหรือว่าอย่าหยุดแล้วก็แสดงไปเลยทีเดียวแต่ถ้าหยุดแล้วพระสังฆเถระมานิจะแสดงอีกต้องขออนุญาตอีกแม้แสดงความอยู่แสดงเนื้อความอยู่เนี่ยถ้าสังฆเถระมาอีกราวก็เหมือนกันก็คือถ้าแสดงไปแล้วพระสังฆเถระมาก็ไม่ต้องหยุดแสดงแสดงให้จบไปเลย แต่ถ้าหยุดแล้วพระเสระมาแล้วจะแสดงอีกต้องบอกกล่าวต้องขออนุญาตแม้ในอุปนิสิตนกถาก็คือการแสดงแก่คนที่มานั่งใกล้ไปถามนี่ก็เหมือนกันพระสั่งคาเถระย่อมเป็นใหญ่เพราะเหตุนั้นพระสั่งคัเถระพึงแสดงเองหรือเชือ้อเชิญเพื่อตัอื่นให้แสดงก็แต่พระสั่งคาเถระอย่านั่งในอาสนะสูงเชือ้อเชิญตองนั่งเสมอกันหรือว่าอาสนะต่ากว่า ก็แล้วพิสุนุ่มจะคิดว่าเราจะกล่าวแก่พระหัดแม้ว่าแสดงก็ควรแม้ว่าแสดงก็คือจะกล่าวจะกล่าวแก่พระถัดแล้วจีจะแก้ปัญหาพระถัสก็ถามเนี่ยพระหัดเขาถามปริศนาพระพิกจุที่เขารู้จักพิกสุนันทพึงบอกพระเถระก่อนจึงแก้แตนะ่ถ้าอยู่กับพระสังฆเถระถ้าโยพระเถร ะ, ถร ะ, ระนี้ต้องอนุญาตอะต้องบอกก่อน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 ชื่อว่าได้กรรมอันควรแล้วจะแสดงธรรมในที่ทั้งปวงก็ควรครับพระสังคเตระท่านอนุ ญ, ญาตไว้แล้วแม้ถึงจะสาธยายก็ต้องบอกพระเทเรศตอนถ้าจะสาธยายนี่ถ้าท่ยานอนุญาตให้แสดงอย่างเดียวนี่ก็ไม่ต้องบอกนะแต่ว่าถ้าไม่ได้อนุ ญ, ญาตการสาธยายไว้ด้วยถ้าจะสาธยายต้องบอกพระเทเรศตอนบอกพระเทเระองค์หนึ่งแล้วสาธยายอยู่พระเทเระองค์อื่นมาอีกจิตซึ่งจะต้องบอกอีกไม่มี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 ครั้นพระเถระอื่นมาเล่าพึงบอกท่านก่อนแล้วพึงท่องเถิดต้องให้สวดทายยายได้แต่ว่าต้องบอกกับพระสังฆเถระถ้าท่านไม่อนุญาตไว้ก็ต้องบอกข้อหนึ่งอย่าพึงขับร้องสวดแสดงทำด้วยเสียงขับอันยาวคือทําลายเสียตึ้งวัดนั้นๆยังอัคระให้ชิหายถ้าขับร้องสวดแสดงดังนั้นต้องถูกกดด้วยทรงห้าหมไว้ว่าณพิขเวอายะตะเกนะ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 พึงแสดงบทและพยัญชนะให้เป็นปริมนทนด้วยวัดอันกลมกลมสารพันยะก็คือสวดและกล่าวด้วยเสียงเป็นทำนองลำลำคือเป็นลำนำพวกนี้นะนะพระองค์ทรงอนุญาตไว้ได้ยินว่าในสารพันยะนั้นมีวัดอยู่ถึงสามสิบสองอย่างเป็นต้นว่าตารางฆะวัดทำนองดังคลื่นกมีโทหตะวัดทำนองดังรีดน้ำนมโคคลิตะวัด ทำนองดังสิ่งของที่ตกลงเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วประเพณีสืบต่อมาไม่เห็นแล้วก็เลยไม่รู้ตรวจยังไงอะในวัดทำนองเหล่านั้นอยากทำทำนองใดทำทำนองนั้นก็ได้ไม่ยังบทและพยัญชนะทั้งปวงให้ชิบหายไม่ทำให้วิการทำให้เสียงเป็นไปโดยอย่างเป็นสมณะสารูปกลมกลมนี้แหละเป็นลักษณะในสารพัญญะขับร้องสวดแสดงธรรมด้วยเสียงขับอันยาวนั้นมีโทษห้าอย่าง ดังนี้ก็คือผู้ขับย่อมกำหนดในเสียงแม้แห่งตนนั้นหนึ่งแม้คนอื่นก็ย่อมกำหนดในเสียงนั้นหนึ่งแม้ข้าราบดีทั้งหลายเขาก็ย่อมติเตียนได้หนึ่งแม้ประสงค์ความชดช้อยแห่งเสียงความทำลายสมาธิก็จะมีคือไม่อาจจะยังสมาธิที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้ที่ได้แล้วก็ไม่อาจจะใหถึงการเข้าได้อีกก็คือสมาธิก็เ่อมไป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 แม้มุมสังคาติก็พึงอธิฐานว่าเราจักรองด้วยมุมสังคาตินี้ดื่มกินดังนี้ด้วยตรงห้ามและอนุญาตไว้ว่านะจะพิกเวอปริตสาวะนเกนะอัฏฐานโน ป, ปฏิปัชิตับโบสเจนะโหติก็คำละปีวิสามีติดังนี้หวยนี้ก็ไม่มีการออกรองน้ำเลยนะเพราะว่าดื่มน้า รองกรองมาแล้วแต่ว่าสกขาบทมีแล้วอ่ะถ้ไม่ทำตามก็มีะบาตรไม่มีผ้ากรองน้ำห้ามเดินทางไกลถ้าเดินไปก็ต้องบัตรทุกกฎเพราะนั้นก็ออ้ฐานสังคติไว้ถ้ามีน้า จ, จะต้องรองเราก็จะตองด้วยมุมสังคตินี้ข้อหนึ่งพอื่นยืมผ้ากรองน้ำย่าห่วงด้วยทรงห้ามไว้ว่านาะพิขเวอัฏานะมัคคปฏิปันเนนะพิฆุนาปริสาวนังยา จิตตมาเนนะนัดาตั บ, บังแปลว่าพิตุอันพิจุเดินทางไกลขอยืมผ้ากรองน้ำอย่าหวงไม่ให้ถ้าไม่ให้ต้องทูกกดไม่ให้แก่พิจุที่ไม่มีผ้ากรองน้ำเลยจึงเป็นอบัตก็แลพิจุใดผ้ากรองน้ำในมือของตนก็มีอยู่แกล้งขอยืมไม่อยากจะให้แก่เธอนั้นก็อย่าพึงให้เลยไม่เป็นไรถ้าเขาแกล้งแกล้งขอยืม ติระชาณวิชาดิกถาจบเรื่องการเรียนกถาเรียนวิชาที่เป็นติระชานิชาอะไรที่นี้นะอีกเรื่องหนึ่งจะกล่าวในตัทธาเทยยาดิกถาเรื่องของธรทำตัทธาไทยให้ตกไปข้อหนึ่งยาทำของตัทธาไทยให้ตกไปคืออย่าให้อนามัฐบินทบาทเป็นต้นแก่ขดหัดด้วยทรงอนุญาตนะฮะหมายว่าอนุชานามิภิกขเวมาตาปีตูนางดาตุง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 ถ้าปรารถนาแล้วไซส์ก็ต้องให้ของฉันที่ได้มาใหม่ยังไม่ได้ฉันเลยชื่อว่าอนามัตฐบินทบาตบินทบาทอันเลิศนะที่ยังไม่ได้จับต้องอนามัตฐบินทบาทนี้ก็ชื่อว่าศรัท ธ, ธาไทยก็คือเป็นของที่เขาให้ด้วยศรัท ธ, ธาของเขาให้ด้วยศรัท ธ, ธาในเรื่องธรรมยาพระอัาจารย์ยกอนามัตฐะบินทบาทอย่างเดียวขึ้นกล่าวด้วยดูเหมือนหนึ่งจะชี้ตัวอย่างในปัจจัยอัเศษ ให้ผู้มีปัญญาพึงพิจารณาดูเถิดนั้นของที่เขาให้มานี่อย่าทําให้เสียไปด้วยการทําศรัทธาให้ตกข้อหนึ่งอย่าทํายาให้แก่คนที่ไม่ใช่ญาติด้วยทรงห้ามไว้ในวีนิตตวัตถุว่าอาปฏิทุ ก, กตัสสะดังนี้เพราะเหตุน้นคนอื่นมาขอยายาพึงทําให้เมื่อทําให้ต้องทุกต์ก็แลพิกจูพิกษุณีนางติขมนาสามเณรนางสามเนรีห้าจำพวกนี้ชื่อว่าชาหธรรมนิก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 เมื่อไม่ได้จริงๆก็พึงหาแม้ด้วยอัตาวิ ญ, ญักษ์ก็คือไปขอกับคนที่ไม่ใช่าติก็ได้เพื่อคนไข้นั้นแล้วพึงทำให้แม้คนห้าจะพวกคือมารดาบิดาคนอุปถาคมารดาบิดาวัยาวิจกรของตนปันดุป ร, ราชก็คือคนผู้จะมาบวชจัดแจงระบมบาตรย้อมผ้าอยู่ในวิหารจะทำยาให้แก่คนเหล่านี้ควรอยู่ถ้ามารดาบิดาเป็นอิสระคือเป็นใหญ่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 ส่วนคนอีกสิบจาพวกก็คือพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงแล้วก็น้องพวกน้องของมัรดาพวกน้าพวกอาพวกนี้ยนะพี่หญิงของมันดาน้องชายของบิดาพี่ชายของบิดาพวกลุงพวกอาน้องหญิงของบิดาเนี่ยพวกป้าพวกอะไรตัวเนี้นะพี่ชายน้องชายของมันดาพวกปู่ย่าเนีต่างๆอาลุงกระทำยาให้แก่คนสิบจาพวกนี้ควร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 พึงใช้สามเนรที่เป็นญาติให้นำมาให้หามาหรือให้หามาเพื่อตนแม้สามเนนเล่าพึงหามาด้วยวัดตศัศีสะก็คือโดยถือว่าเป็นข้อวัดว่าเราจะเอามาให้อุปชาดังนี้มานดาบิดาแห่งอุปชาเป็นไข้ามาที่วัดอุปชาไปอื่นเสียไปยังที่อื่นเสียสาธิวิหาริพพึงเอาเครื่องยาของอุปชาทําให้เครื่องยาของอุปชาไม่มีไซพึงสลักยาของตน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 บอกว่าพิกตุชื่อโน้นเป็นโรคอย่างนี้นี่เขาประกอบยายอย่างไรพริกตุเพื่อนกันก็พูดว่าเขาเอาสิ่งนี้สิ่งนี้ประกอบให้พรันหัดเขาได้ยินแล้วก็จําไปทํายาให้แก่มาดาของเขาดังนี้ก็ควรได้ยินว่าแม้พระมหาปทุมมเถระที่เรียนพระวินัยถึงสิบแปดรอบเรียนพระวินัยสิบแปดรอบพระสุมะเมระเถระเรียนพระวินัยเ้ารอบพระมหาปทุมมเถระท่านก็ปฏิบัติอย่างนี้ เพิ่งปฏิบัติในเพศตัดดังนี้ก่อนส่วนในเรื่องของปริศเดี๋ยวก็เอาไว้ตอนในวันหลังวันนี้ก็สมควรกัเวลาก็คอยท่านทั้งหลายได้มีศรัทธาศึกษาพระวินัยคําสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นส่วนของอธิศีและศิกขาเพื่อเอ ก, กื้อกูแลแก่อธิจิตตสิกขาและก็อธิปัญญาศิกขาเพื่อความประชุมพร้อมของไตรศิกขาขอให้ได้บรรลุอริยมรรคผลโดยทั่วกันด้วยเทิญสาธุสาธุสาธุ